เป็นคําพูดที่น่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ขเขาก็ถามหลวงพ่อบอกเอออันนี้เป็นคําตรัสในพระไตรปิฎกมาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เปรียบเทียบว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันตุทุกคนกับทุกๆคนไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุทธิดาคำก็ชัดเกีย์อยู่แล้วเนี่ยเราจะปาหมาดไปที่ไหนอีก หรือว่าพ่อแม่ไม่แค่มิไม่มีบุญคุณสําหรับเราอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกมั่นกัร น, นะปาฏมาริย์ยังบาปเพราะฉนั้นพ่อแม่เป็นพระหานของบุตรธิดาไม่ใช่ว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระรหานสําหรับทุกคนในโลกไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือบุตรธิดาเท่านั้นเองเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ท่านใดพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่จองท่านนั่นแหละคือเป็นพระรหานของเรา ใครก็ตามปามาดพ่อแม่ของเราเรียก ว, ว่าฆ่าพ่อแม่ของเราเมื่อใครก็ตามมาตุฆาตฆ่าบิดาปีตุฆาตฆ่าบิดาอรหันตะฆาตฆ่าพระอรหันโลหิตตุบาทยังพรโลหิตให้ห่อสังฆเพทยุโยงสงให้แตกกันอันนี้บาปหนักเสมอกันกับเป็นอันว่าทำร้ายพระพุทธเจ้ายัางพรโลหิตให้ห้อก็ดีฆ่าพระอรหันก็ดีฆ่าพ่อฆ่าแมข่ของตนเองก็ดี บาปหนักที่สุดเป็นอนันตริยกรรมแปลว่าหนะับาปหนักเพราะฉะนั้นให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอที่จะพูดอะไรกับพ่อแม่ออกไปพูดที่ให้ท่านช้ำมกช้ำใจเรียกว่าพูดที่ไม่ถูก อ, อ, อันนี้เราต้องระมัดระวังแต่ก็ถึงยังไงก็ตามอย่างพ่อแม่ของเราออกนอกรูนอกทางบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราก็จต้องตักเตือนท่านอันนั้นเป็นธรรมดาลูกที่ดีก็ต้องเป็นอย่างนั้น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 เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาถึงจะมีบุตรเจ็ดปดเก้าคนก็ดีถึงจะมากกว่านั้นก็ดีก็คือพ่อแม่ของเราคือเป็นพระหันของบุตรธิดาทุกคน เ, เร่งจะเป็นลูกคนเดียวก็คือพ่อแม่ของเราคือพระหันของเราเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อพระหัน เ, เมื่อเลี้ยงท่านเลี้ยงดูเรามาแล้ว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 ถวายส้มเดชประสังคราชอย่างนี้ก็ได้อันนั้นล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลคือนําร่างกายจากพ่อแม่ที่ท่านให้มานี่ทําให้เกิดประโยชน์และนนําจะตุปใจัยที่ร่างกายอันนี้แสวงหามาได้จากนั้นก็นําไปถวายส้มเด็จพระสังคราชหรือถวายสาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือใจของเราเหมือนกับโซเฟอร์ โซเฟอร์รถนจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนคือใจของเราเหมือนโซเฟอร์รถเรานำรถคันนี้ไปรับจ้างฮะร่างกายของเราไปรับจ้างพอเราไปรับจ้างได้แล้วไปขนคนกดีไปแกกบรรทุกของอะไรก็ดีเราได้เงินมาโจเฟอร์ได้เงินมาเราก็ควรจะเอาให้พ่อให้แม่ของเราทดแทนพระคุณบิดามารดาของเราถึงท่านจะตายไปแล้ว แต่ว่าเราบรรทุกรถคันนี้ยังอยู่ไปทำงานได้เงินมาเราก็เอาเงินอันนี้ฝากไปให้พอ่อให้แม่หน้าฝากกับไปชนีไปส่งทางไปชนีไปไปให้พอ่อให้แม่พ่อแม่ของเราถึงจะล่วงรับรับคันไปพวกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะไปที่ไหนแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าว่าตายไปแล้วพ่อแม่ของเราตายลงไป ไปตกนรกเราทําบุญอุทิศนกุศลให้ไม่ถึงเหมือนกับพ่อแม่ไปอยู่ในคุกอย่างนั้นแหละพ่อไปส่งเข้าไปกคนนี้พญยายมพบานไม่ได้เรียกเข้ามาไม่ได้เรียกพบญาติเลยเป็นไงบูส่งบุญมาไม่ได้หรอกยังติดคุกโยบุญกุศลไปไหนถ้าพ่อแม่ติดคุกบุญกุศลนั้นก็กลับมาหาเจ้าของเดิมเจ้าของเก่าผู้ส่งไป ถ้าว่าไปชนีซื่อสัตย์นะไปชนีซื่อสัตย์ก็คืออะไรคือเราทำทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างพระสงฆ์เป็นผู้สรงสินอย่างนี้หรือเป็นพระอริยบุคคลอย่างนี้หรือว่าทำบุญสาธารณะประโยชน์อนี้อันนั้นคือไปชนีที่ซื่อสัตยนะ์เมื่อเราทำบุญไปแล้วไม่ถึงผู้รับบุญกุศลก็กลับมาหาผู้สง่งไม่ไปไหนแต่ถ้าว่าเราส่งไปแล้วพ่อแม่ของเรา ไปสู่สวรรค์สู่สวรรค์ก็ไม่ถึงอีกไม่ได้รับอีกเพราะอะไรเพราะท่านไปอยู่สู่สวรรค์แล้วออบุญกุศลก็ไปไม่ถึงอีกเพราะอาหารสวรรค์คืออาหารอย่างหนึ่งถ้าพ่อแม่ของเราไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่พอตายไปแล้วท่านทําบาปกรรมเราก็ไม่รู้ว่าท่านทาบาปอะไรพอท่านไปเกิดเป็นสัตว์ทิรฐจฉันเราทิดส่วนกุศลให้ก็ไม่ถึงอีก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 ขอให้ทําบุญอุทิศให้เราโดยเทินลูกหลานนะถ้าเมื่อเราทําบุญในพระพุทธศาสนาหรือทาบุญอะไรลงไปที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เราน้อมลาลึกถึงเออบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี้พ่อแม่ของเราตกทุกข์ได้ยากอย่างไรอยู่นสถานที่ใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้ทําบุญในครั้งนี้โดยเทินคือให้น้อมจิตลาลึกถึงรับอุทิศ ส, ส่วนกุศล นี่แหละพ่อแม่ท่านจ ะ, ะได้รับคือพ่อแม่ของเราเป็นเปตอสุรกายแล้วเ ป, ปรตวิสัยคือเป็นวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ไม่ได้รับบาปกรรมอะไรมากไนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านได้บอกกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ที่นี่เราเมื่อรู้แล้วว่า ก, การทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่ว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 บอกลูกหลานเขาเลยลูกหลานเอ้ยปูกย่าตายายพ่อแม่ทำเอาแล้วบุญลูกหลานไม่ต้องทะเลาะ ก, กันเนอะเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเพิงนะให้จัดการไปเลยให้ไปเผาเผาไปสักแล้วก็เงินคําทรัพย์สมบัติตรงนั้นตรง น, น, รงนี้ที่ดินตรงนั้นตรงนี้แบ่งกันะนะอย่าทะเลาะ ก, กันแต่ทําบุญให้พ่อไอ้แม่ไม่ต้องห่วงเพราะพ่อแม่ทําเอาแล้วพ่อเนี่ยทำเอาแล้ ว, ไ, ลวไม่ต้องห่วง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 พนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นตลวงพ่อว่าควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าจูใจของพวกเราในเมื่อพวกเรามีบุญมีกุศลแล้วไปนสถานที่ใดมีแต่ความผาสุกค่ะไม่ใช่ว่าเราเกิดมามีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานมีแต่ห่วงหาอะไรลูกคนนั้นหลานคนนี้อยากจะล่ําอยากจะรวยอยาก ง, งุ่นอย่างนี้มีแต่โสแสวงหาอย่างเดียว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 เราจะเรียนหนังสือวิชาติเนีเราจะศึกษาวิชาความรู้แล้วก็ไปเรียนลูกเป็นลูกด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์สอนเราก็เรียนหนังสือเลยเอ่อนั่นแหละคนมีบุญแต่บางคนก็อย่างว่านะพอเรียนเกิดขึ้นมาแล้วก็เอไม่ได้อย่างที่ใจคิดเพราะเกิดถึงเป็นลูกด็อกเตอร์ก็เถอะเกเลเกตุงไม่รู้ว่อะไรต่อไม่อะไรทําให้เสียหายพ่อแม่ต่างหากก็มีต่างเยอะแยะอีกเพิ่มกัน ไม่สมลูกผู้ที่สูงส่งอย่างนั้นก็มีต่เยอะแยะเหมือนกันอันนั้นก็แสดงว่าบาปพาไปเกิดเหมือนกันนะบาปพาไปเกิดแต่อันนี้สงบุญก็มีอยู่เอ่อแต่ส่วนหนึ่งคือบาปอกุศลได้ทำไว้ไม่ดีพอเกิดขึ้นมาแล้วก็หลงผิดหลงถูกไปหลงทิศหลงทางไปติดทางอบายยมุกไปทาไม่เป็นคนช่วยชาติเสียหายไปอย่างนี้ก็มีเหมือนกันที่พวกเราท่านทั้งหลายไดเห็นพะโลกนี้ มีมากมายเนี่ยที่พวกเราได้เห็นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้มาพบมาเจอประรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, จาแล้วให้ให้ประกอบตนเป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีให้คิดดีทําดีพูดดีถ้าว่าพวกเราคิดดีทําดีพูดดีแล้วนั่นแหะผลที่ออกมาจากความดีนั่นแหะจะไปสู่สุขคติ ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีไปสู่สวรรค์สันพรมไปได้ทั้งนั้นถ้าเราชาระจิตใจของเราบริสุทธิ์แล้วก็หมดจดจากกิเลสเข้าสู่ทิพานเพราะเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนเลวคนชั่วคิดก็คิดชั่ว ท, ทําก็ทําชั่วพูดก็พูดชั่วเนีทั้งชั่วทั้งทวารทั้งสามทั้งกายทั้งวาจาทางใจแล้วอย่าหวังเลยจะไปสู่สุขคติได้ทั้งพบนิชาตินี้ก็เถอะ ถ้าคิดขึ้นมาแล้วก็คิดมีแต่จะพ้นจะฆ่าจะคดจะโกงจะขโมยจะเบียดจะบางห้องเขาไงพอคิดไม่ดีพอทําออกไปกันเนี่นะเนี่ยไปเห็นใครมีแต่ชกชิงวิ่งเราคดโกงเขาไปเห็นคนกับพูดถากพูดทางพูดหลอกพูดลวงเขาผู้นั้นมีแต่เข้าคุกอย่างเดียวไม่ไปทางอื่นเพราะอะไรเพราะคิดชั่วทําก็ชําชั่วพูดก็พูดชั่วในชาตินี้ก็เห็นแล้วไอ้โกก็ทําเช่นนั้น ต้องไปทางต่ําจะไปทางสูงได้ยังไงออกจากภพนี้ชาตินี้ไปอีกบาปกรรมที่ตนได้กระทําไว้นะ่ยจะต้องไปสู่ทุกติอีกเกิดภพหน้าชาติหน้าเขาก็ไปจับลงนรกไปก่อนให้เออไปเผาซะก่อนไปเผาวิญญาณตอนนั้นซะก่อนให้หลอหลอมขึ้นมาให้มันเข็ดเนะีแล้วมาเกิดเป็นเออมาใช้กรรมอีกเออเป็นนกเป็นหมูหมากาไกาอีกพอเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิจารก็ปรารถนาอยากจะให้สูง เ, เมื่อเป็นเมื่อเกิดเป็นหมาก็โอ้เกิดพบน้าชาติหน้าขอให้ข้าเป็นมนุษย์เถิดเธอเพราะเกิดเป็นหมานี่ทรมานเหลือเกิน อ, อจะได้กินก็ต้องมนุษย์เอาให้ทั้งกินก็ทั้งทุบทั้งตีทั้งดา่าอีกต่างหากเพราะเป็นหมาเขานะี่คือไฟสูงหมามันมันก็อยากเป็นมนุษย์เหมือนกันนะไฟสูงอย่างเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้แหละพวกท่านทั้งหลายไม่มีลใครจะเป็นไฟต่ําไม่มีเออพูกข้าเกิดมาพบหนีชาเนธ เกิดพบหน้าชาน้าขอให้ได้เป็นคนทุกคนจนแล้วให้เกิดเป็นหมูหมากาไก่เนอะไม่มีใครคิดนะมีแต่คิดในใจว่าเออข้าพเจ้าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้ระดับนี้ขอให้ทางว่ามีพบมีชาติอยู่ขอให้ข้าพเจ้าเกิดในที่สูงส่งให้เป็นมนุษย์ที่ร่ํารวยให้มีมีสติมีปัญญาอันนี้คือความใฝ่ฝันในวิญญาณทุกวิญญาณไม่ว่าสัตว์ที่ไรฉันไม่ว่ามนุษย์นี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่ามนุษย์เกิดมา คือสัพพสัตทั้งหลายเกิดมาเกิดมาจากกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาิกที่โคลนต้นโพนจุตูตตปปาตะยานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เที่ยงคืนตุตูตตปปาตะยานการเกิดการตายของสรรพสัต ท, ทั้งหลายสัตตรงนี้สัตว์ตัวนี้คนคนนี้เกิดมาจากไหนชาติที่แล้วเขาทําอะไรทํากรรมอะไรเอาไว้ จึงได้มาเกิดอย่างนี้ทําไมหูหนวกตาบอดอย่างนี้ทําไมเป็นบ้าอย่างนี้เพราะอะไรชาติที่แล้วเขาทากรรมอันไหนพระพุทธองค์รู้หมดว่ากรรมคือการกระทําเป็นสายยาวเหยียดมาเหมือนกับคนขี้เกียจเรียนหนังสือเนะเกิดมาก็ขี้เกียจเรียนหนังสือเกเร อ, อีกต่างหากเนะเออพอเป็นใหญขึ้นมานะ่ะจะเป็นรัฐมนตรีกับเขาไม่ได้เพราะเหตไรเพราะตัวเองขี้เกียจแต่เต้ไปทำไมเป็นเด็กเกเร อ, อีกต่างหาก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 อันนั้นเขาก็ต้องได้ดีเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะเขาทำดีกรรมคือการกระทาเมื่อทำดีแล้วผลของการทำดีจะต้องส่งไปสู่ความดีไปเรื่อยๆถ้าทนทําที่กรรมชั่วก็เหมือนกรรมก็จะต้องกรรมชั่วไปเรื่อยๆแล้วคนที่เกิดมาพบนิชานี้เป็นอะไรเป็นวิบากกรรมในอดีตที่ตนเองได้กระทาเพราะเกิดขึ้นมาเด็กยังไม่ได้ทกรรมอะไรทำไมจึง ทำไมถึงโง่ทำไมจึงตาบอดนะ่ะเพราะหตอะไรเป็นวิบา ก, กรรมในอดีตชาติที่ทําไว้แล้วดวงวิญญาณนะั้นได้ทําสิ่งที่ไม่ดีไว้มาเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็มาเกิดมาเนี่แหละเป็นคนพิก่งพิการหูหนวกตาบอดเพราะเหตุอะไรเพราะกรรมในอดีตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพระบาลีว่าอักตังทุ ก, กตังเสยโยปัชตชาตปฏิลุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้ว จะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้ทํากรรมชั่วคิดดีทดําดีพูดดีพวกนั้นท่านพูกนั้นจะไปสู่ความสุขความเจริญเราะนั้นขอให้พวกเราคณะจต่ายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเมื่อได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วหลวงพ่อหาเหตุผลมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อคิดว่าสรรมาให้พวกเราได้คิดนี่อันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ในวันที้เป็นวันแม่แห่งชาติอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวพ่อแม่คือพระอรหันต์ของบุตรธิดาเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะนั้นวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวัน สมภพหรือว่าเป็นวันประสูติหรือเป็นวันเกิดของพระราชินีของพวกเราที่พวกเรารักเคารพนับถือเป็นร่มโพ ร, ร่มไทรของประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นหรือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทำตนให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีอย่างหลวงพ่อได้กล่าวพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญต่ตอนนี้ไป คณะสงฆ์จะอนุมานาให้พรรับพร